มาดูนหนึ่งบทสววิธีนะครับหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบสี่นะครับข้อที่เจสิบสามนะครับพิสุรุ่มใดเมื่อพิสุแสดงปาสิโมงอยู่ทุกๆกึ่นเดือนพึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพระเจา้าที่รู้ตอนนี้เองว่าแม้สีถามบทนี้ก็มาในพระปาสิโม นับเข้าในคาปาติมโมย่อมมาสู่แท่ทุกๆท่นเดือหากว่าที่สู่ราบู่นเพิงรู้ที่สู่นั้นว่าที่สู่รูปนี้<ม>ก็ใครนั่งอยู่ด้วยสองสามครั้งเมืม่อเขาสวดปาติโมจะแท่งข่าวให้เกินไปทำไมกันความค้นจากอาบัตเพราะการแท่งไม่รู้ ย่อกไม่มีแก่ที่สูรูปนั้นก็พิสูรูปนั้นเมื่อมีการเสแสร้งเป็นไม่รู้ต้องแล้วซึ่งอาบัตใดก็คึ้นปรับอาบัตอาสมควรแก่การละเมิดและยิ่งกว่านั้นสงึงยกโมหะกรรมกรรมที่ท่าโสตธรรมแก่ที่สุผู้แท้ไม่รู้ขึ้นปรับอาบัต แต่พิสุรุปนั้นว่าความโศไม่เป็นทาแห่เธอเลยหนอเธอ น, นั้นชีไม่ได้หนอที่เมื่อพิสุแสดงความติมองอยู่เธอ น, นั้นก็ไม่ใสายายาย่ใจไม่ตั้งใจฟังให้ดีอาบัติปัสสีย่อมมีแต่พ่สุผู้แท้คำเป็นไม่รู้นั้นในความว่า ล่วงและเมื่อสิบถามบทข้อใดก็ต้องอาบัรมพครอบสืบถามบทข้อนะั้นทั้งยังต้องการสติเมื่อสงยกโมหานกรรมแนละ้วด้วยถ้าได้ไม่รู้แต่สงยังไม่ยกโมหานกรรมต้องเทียทุกขกร อ, อ, อันนี้เป็นย่างนะครับหมายความอยู่ที่สุรูปหนึ่งนะ ท่านรู้สิกขาผลท่านรู้นะครับว่าอะไรเป็นอาบัตไม่เป็นาบัตนะแล้ว้ก็มีการไปล่วงละเมิดอาบัตมาอย่างขึ้นนะครับเมื่อไปล่วงละเมดอาบัตมาอย่างขึ้นแล้วก็นะครับเวลาถึงวันอุโบสถใช่ไหมเข้าสวดปฏิโมกข์อะไรเสร็จแล้วนะครับท่านก็พูดขึมาเลยอ๋อผมเพิ่งรู้เองหรือวันนี้เองนะว่าข้อนี้ก็มาในพระปฏิโมกข์ด้วยเนี่ยข้อนี้ก็เป็นอาบัตนะมันก็ปฏิโมกข์ด้วยนะครับทํำไปเสแสร้งไม่รู้นะ ใช้เรืองครู้ควารู้เหมืนเขาเหมือนก็ว่าต้องการใ้คุณรู้ว่าที่ตัวทำผิดอย่างงี้นะพราะทําไปด้วยความไม่รู้เมือนเขามันแรดูเบาดีใช่ไหมรู้ทั้งรู้เรื่องตรงเดงวเมือเมืนก็ว่าอะไรเป็นผู้แม่ละอาเหมือนเขแต่นี่ผมไม่รู้ทําไปทำอย่างนี้ก็ทำไปอ้างเล่เสแสร้องอย่างนี้เหมือนเาถ้าบอกว่าถ้าสู่ทั้งหลายพิสุรานะกูร์น่ะก็ร้ทังรู้ว่าที่สุรุ่มนั้นน่ะ ไม่ใช่ว่าแกอย่าเพิ่งมานั่งฟังปรจิบบอกเพียงเดียก็เครตัมาแล้วตั้งสองสามครั้งใช่หมครับมองก็ต้องรู้แล้วอ่ะอะไรเป็นอาบัตไม่เป็นอาบัตนะนี่ะครับต้องรู้แล้วที่นี่หมายราะว่าถ้าคือสมัยก่อนก็ท่องศวนภาษามารีอย่างนี้ใช่ไหครับเป็นมาษาที่ค่อยๆฟังรู้เรื่องนะและสมัยก่อนบางคนบางจําดีด้วยนะครับเรีรู้เรื่อง นี้พอก็มันไปนั่งฟังนอกศาสองสามครั้งเนี่ยก็ต้องรู้แหลมนะครับนี่นะจะทําเป็นแกล้ไม่รู้นี่ไม่ได้นะครับเขาบอกว่าความพ้นจะอาบัตรข้อการแทรกไม่รู้ย่อมมีแก่ที่สูจน์ด้วยนะนะครับที่สุจที่แกล้ไม่รู้เนี่ยจะเป็นยังไงครับหมายความว่าแกไปร่วงแล้วเมื่ออ้าบัตรข้อใดนะอ้างบัตรที่แก่ไปทํามันก็ต้องอาบัติแท้นะครับ ไอเช่นไปกินข้าวเย็นอ๋อผมรู้ผมพูดรู้วันนี้เองนะเมื่อกินข้าวเย็นเน่ยเป็นอาบตอยู่ตีแลผมรู้ว่ากินดได้ใชครับใช้คืองรู้เรื่อง น, นานะ น, นะครับเสือแทงอันนี้ใส่แกล้งพูดตอนที่ทอสุดปฏิโมกเสร็จนะนะครับพราะทไมก่อนผมรู้่เไได้เสอแงเขาไม่ได้แลต้องอาแล้วแค่นั้นยังไม่พอนะ ถ้าสงฆ์ต้องมีการยกโมหะนักกรรมนะครับกรรที่ทําแต่ที่สึกผู้แท้ไม่รู้ขึ้นนะพนอพระสงฆ์ยกโมหะนักกรรมขึ้นนะครับแกก็ยังไม่รู้ไม่ชี้อะไรเนะแกก็จะต้องบัดปังจิตตีนะครับปางสิการบนนี้แต่ถ้าแกล้งทําไป็นเสแสร้งไม่รู้นะสงฆ์ยังไม่ได้ยกกรรมขึ้นที่ยังไม่ต้องไปตีนะครับแต่จะต้องบัดทุกขกดก่อนเพราะทําไป็นเสแสร้งไม่รู้นะครับนอกจากไม่รู้จริงๆนะ นะครับเข้าไปนั่งฟังสามครั้งนะผมฟังปเป็นอะไรหลายสิบเที่ยวแล้วเนะี่ยยังจำอะไรไม่ได้เลยถ้า <c> เ <oughs> ป็นภาษาบาลีด้วยแปงก็ไม่ออกนะี่นะถ้าไม่รู้จริงก็ไม่เป็นไรนะครับคือไม่ได้ต้องไปอีตีด้วยด้วยข้อนี่นะแต่การากาล่วงระเมิดที่ทําไปน่ยมันต้องอันบัตรแล้วมันเป็นจะไปเสด็จเป็นถึงกับผู้หญิงเนี่ยผมเพิ่รู้วนะ่าไปเสด็จเป็ น, นถึงผู้หญิงเน่ยเป็นประราชีกด้วยคือแกทำอันบัตรข้อไหนข้ อ, น, ขอ น, นั้นมันต้องกันแล้วครับ แกจะรู้ไ ม, ม่รู้มันต้องแตนแล้วอาจจะว่าไม่ต้องก็ไม่ต้องไปจีิพ่อแท่ไม่รู้นะครับคือถ้าพ่อไม่รู้จริงๆนะเขาจะไม่ต้องข้อนี้เลยครับแต่การรู้และเมื่อนัก็ต้องไปแล้วน ะ, ะอันนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเกตุที่สู่พวกแอบเลขทั้งที่ตัวเองผิดอแล้วนะยอยากแอบเลขเพื่อจะให้รู้สึกว่าตัวเองผิดน้อยหน่อยะครับถึงทําพ่อไม่รู้ <laughs> ครับก็มาดูต้นมันอย่างนะครับอันนี้ ต้นปัญญาเนี่ยมาจากพระฉบักขีครับโดยสมัยนั้นพระพาร์พระเจ้ า, า, าท้า อ, อยู่นพระเศตะวันานางของอาชาบินิกาข้ามบริเทพระนครสามัคีครั้งนั้นพระฉบักขีประพฤติอนาจารครับและตั้งใจอยู่ว่าขอไปสู่ทั้งหลายจงทราบว่าพวกเราเป็นผู้ต้องอ้างบั่รด้ว ย, ยาการที่ไม่รู้ครับแล้วเมื่อพระวินัยทรยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงกล่าอย่างนี้ว่าพวกผม พึ่งทราบเดี๋ยวนี้เองว่าทำแม้นี้ก็มาในพระสูตรคือมาในพื less, ้นสูตรคือปฏิโมกข์ของเราเนี่ยก็ทําเป็นอ้างเนี่ยนะเนื่องในพื้นสูตรมาสู่แท้ทุกกลึงเดือนนะครับบรรดาพิสุทธทีผู้มากน้อยศูนย์เห่านั้ก็แพ่งทั้งจิตเมวะศาสนาว่าไงถ้าจะบัคคีเมื่อพระวนทหสุปติโมกอยู่การอย่างนี้ว่าพวกผมพึ่งสร้าบเดี๋ยวนี้เองว่าทำแม้นี้ก็มาในพระสูตรเนื่องในสูตรมาสู่แท้ทุกกลึงเดือนดังนี้นะครับ แล้วกาบเนื่องนั้นดับเมื่อพระเจ้าพุทโธก็ทรงสอบถามทรงตรีเพชรประสิทธิ์พิคีและก็เบยจสิขาบท น, นี้ขึ้นมา น, นะครับอนแค่นี้ยังไม่พอนะนะครับพิสุที่ทรรมแจ้งหลงไม่รู้บม่ชี้นะคะรับพุทโธก็ตัดต่อนะว่าดูก่อนพิสุทธทั้งหลายก้องแลพึงยกขึ้นอย่างนี้นะครับพิสุผู้ฉลาดผู้สา ม, มารถอย่าเพิ่งคุยกันนะครับตั้งใจฟังกัน ได้ฟังกันกนะครับข้อต่ว่าพิสุผู้ชนะผู้สา ม, มารถพึงประกาศให้ส่งสร้างด้วยยติทุติยกรรมาวาจาว่าดังนี้ครับอันนี้นะกรรมาวาจาที่ลงโมโมหาาณกรรมหรือโมหาลุปานะกรรมครับท่านเจ้าข้าขอสอง่งหนึ่งปักขบว่เจ้าพิสุนี้ชื่อนี้ผู้นี้เมื่อพระวินัควาปปมุขปาริโมกอยู่หาคำในใช้สําเร็จประโยชน์ด้วยดีไม่ถ้าความพลั่งพร้อมส่งถึงที่แล้ว สงคุณยกความหลงขึ้นแก่พิสุนี้ชื่อยิ่นี้เป็นยติและก็สุกมาวาจาไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อสองสุดเสร็จถ้ายังแก้งไม่รู้นะก็จะต้องัไปทีในสิด้าบนนี้นะครับ <c oughs> อันนี้นะถ้ามีการตัดเตือ ก, การว่านะครับอโุโสไม่เป็นรากของเธอเลยหนอเธอนั้นเอาดินไม่ได้หนอ ที่เมื่อพิสูจ์แสดงปติโมกต์ผิดเธอนั้นก็ไม่ใส่ใจไม่ตั้งใจฟังให้ดีเพราะความนี้มันต้องใส่ใจตั evet, ้งใจฟังให้ด UM ีใช ouais, ่ไหมครับถ้าเราทวนตามหน้าทวนตามเลยทวนตามหน้าดูหนังสือต่างครับเพราะเมื่อมันจะฟุ้งซ่านมันเลยเฉื่อยใช่ไหมฟังเสือปติฟังเสือปติโมกตนะฟงซ่านนครับมันเองอุมชนให้มดูครัดู่านหนังดีนะ นะครับถ้าเราไม่ได้ดูใจหรือไม่ได้ชวนตามจริงมันจะคิดเปเลื่อกอื่นะค้ไม่ได้ใส่ใจตรงนี้ น, นะ <c oughs> นี่มันเป็นความผู้บายในการขายนะับหน้ า, านึ่สองห้อยสาสิบแปดนะครับข้อที่สาอธิบายโมหนะนักศิขาบอกดีนะ พึทงทาอธิบายสิขามทที่สามต่อไปคําว่าอนนวัฒ ม, มาสแปลว่าทุกทุครึ่งเดือนตามลําลดับเพราะว่าเราฟังปฏิโมทุกครึ่งเดือนใช่ไหมสิบห้าวันทีใช่ไหมครับนะถ้ า, าใหญ่ไหครับครึ่งสิบสี่ครึ่งหรือว่าแรงสิบสี่สิบห้าคําะคำว่าอุชิตสมาณีแปลว่ากําลังสวดปฏิโมอยู่ด้วยเกี่ยวกับโหมดต่ับ ความว่ายังจากตัณหาอาปติมอาปโนความว่าที่สูนั้นต้องการสัพปะการว่าตนต้องอาบัตเพราะความไม่รู้นะครับจึงกล่าวอย่างนั้นเพราะความกู้เสียหายใดที่สูนั้นต้องอาบัตเพราะความกู้เสียหายนั้นที่ทำไม่ดีก็ต้องกระแลนะคำ ว, ว่าตัจานจัเยะถาธมกาเตกลงความว่าชื่อว่า ความพ้จากอาบัตที่ต้องด้วยความไม่รู้ย่อมไม่มีใช่ไหมเพราะว่าอาการต้องอาบัตต้องด้วยไม่รู้ก็มีใช่ไหมครับเนี่ยนะถึงไม่รู้ก็ต้องครับสมคืนปรับอาบัตนั้นตามธรรมตามวินัยที่มีอยู่คคือควรให้แสดงอาบัตที่ต้องแสดงให้ออกจากอาบัตนะครับให้ออกจากอาบัตแห่งอาบัตที่จะต้องออกด้วยการอยู่ก่อนการริเสกเนี่ยนะ คำว่าอุตรีจะสามองอารโรเปตโพความว่าคั้นติเตียนยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะการกระทำตามธรรมว่านะเตียนนะผู้มีอายุนั่นไม่ใช่ลาภของท่านไอะที่นั่งคามาลายครั้งละยันจาไม่ได้อีกนะนั่นไม่ใช่ลาภของท่านนะห <c> ล <oughs> ังสมัยก่อนเนาะเป็นภาษาทองใช่ไหมหละคนก็ยังมีสติพยาความจําดีครับ ไปนั่งฟังอะไรั้งนี้ก็ยังบอกว่าไม่รู้นี่นะไม่ได้นะไม่ใช่ห ล, กลักนะครับแส่งว่าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตั้งใจให้ดีนะ <c oughs> นต้อนนะครับและแล้วพึงยกโมหานกรรมขึ้นครับโดยยติทุติยกรรมแกพิสูจนั้นคำว่าอีกทางศาสนาโมหานักเกไปอิตยังแปลว่าพิสูจใดครั้งสองยกโมหานกรรมขึ้นแล้วอย่างนี้ทําเป็นหองอีกย่งทําเป็นหองไม่รู้นะครับถูกต้องหรไม่รู้นะ พงทราบว่าที่สู่ที่ทําแต่หองหลืมนั้นจึงต้องบัตตาจิตีด้วยสิขาบทนี้นะครับนี้เมื่อสองอย่างไม่ลงโมหะนักกรรมเนแกแซงทำเป็นหลงไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ก็ยัาไม่ต้องอาบัต น, นะครับเหตุเกิดและกระเพื่อนอาบัตสิขาบทนี้พุทธมุปาจ่าทรงประลรัที่สุฉปรกีในเมืองสามบทีทรงบรรยายไว้แล้วเพราะเหตุคือการกลั่นหอ ง, ห ล, งหลืมสิขาบท น, นะครับ เป็นส า, าระน่บรรยาที่ชุนีก็มีนะยาประณัติที่คุณธรรมสั่งนะอ น, นั้นติกาไม่เกี่ยวการใช้ใช้คือหลงเราไม่เกี่ยวนะเขาที่สร้างคำหลงนะครับเป็นใน <c ười> ติกาไปดีนะครับเหมือนข้าลงกรรมท่านนะกรรมนั้นชอบทำนะครับข้าใจขนงสายสักรพรรดิยังสร้างคำหลงต้องแบบทั้งนั้นในกรรมที่ไม่ชอบทำเป็นติกาทุกกฎนะครับ ในพระโมหนันตนั่กคำยังไม่ได้ยกขึ้นนะอันนี้ต้องบัตกฎอาาบัติพิสุไม่ต้องอาบัตเมื่อยังไม่ได้ฟังเลยพิสดารนะครับตั้งในบวชมายังไม่เคยฟังปาติโมร์เลยพิสดารเลยนะครับถ้าจะอยู่วันนั้นแล้ววันนั้นยังไม่มีใครสวดได้เลยพิสดารใช่ไหมพระสินักุบาจาย์ก็สวดได้แต่โดู ย, ย่อครับข้างไหนข้างไหนก็ฟังแต่แค่สังคดิเสษเนี่ยนะ แลวที่เดลือก็ส่วนอิสรบทสุต้าโพสุต้าโขหมดเลยครับเนี่ยยังไม่ได้ฟังทั้งหมดก็ยังไม่รู้ทั้งหมดใช่ไหมทีนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับที่แจ้ให้เอาการที่ผมเคยได้ยินทางทานเขยวาว่าเอาความปีมาอ่านอะไรอค่างนี้คบมอานรองรับไม่มีัหมดีลยไปเข้าสูกปฏิโมงไม่ได้นี่ครับเคลร์ปฏิโมกเปิดสวดอะไรเปิดแค่คุณพี่ใส่เลยได้ ไม่ไม่ไม่เป็นอาบอติครับลูกแถวโคลา่ก็ยังมีนะคือเคขาพอท่องได้แต่ขเ้นต้องเูหนังสือนะครับข้าไม่สามันจะปิดหนังสือว่าได้เลยแล้วเขาดูสือเขาว่าท่องปุ้เหมือนกันเราสืบปฏิบัติธรรมนาเ้าก็สวนะครับเห็นว่็ต้องดหนังสือนะท่องได้นแต่ว่าอะไรนะมันสืบไม่ได้ไงหรือว่าสืบไม่ได้เราเห็นว่าอาจจะเคยสืบได้หรือว่าใช้เป็นท่องป่าธรรมนาครับ แต่ว่ามันไม่ติดไม่มีอาบัดรองรับนะเขาขายถือว่าเป็นการปฏิโมกถือนการสาก็ได้เอรไม่ได้เห็นว่าห้างไหมคงคงด้ความนีถ้าอยู่ในภษากทแบบนี้ก็ได้ถือว่าอยู่ในวัดที่ผู้นั้นปฏิโมกข์ใช่ไหมครับ ถ้าทำหลังต้องเป็นอย่างนี้ครับ่ที่นี่ม right. ันต <t iny download> like ิได้คือบริโภค้เอาไปอาไหใช่ไม่แอาไม่แอลบริโคนครับแล้วแบบดีได้เลยคล่องหรือเยอะคราวคราวใช่ครับคล่องปาก่นใจมีฉันดีดีนะคล่องปากนะคลองปากอย่างน้อยก็แบบได้โดยย่อก็ยังดีใช่หมโดยย่อจบนีดจบสนาดิเศษอย่างนี้นะไม่ใช่จบแค่นิทานนะอ้าผมย่อแค่นี้ย่อไปนะ หนึ่งครับก็าได้ใชาษาพิเศษถือว่าได้ถือว่าสวนยอได้ผมได้สุนยอดนิสสกีครับอ๋อสสกีครับิสสกีดังนั้นตัวใหม่ๆเจ้าบัานให้เท้าผมก็บายย่อถกเปิดท้องจบแค่นิสสกีผมไปไหนไม่ได้เลยเพื่อก็ถ้ามันมีใครได้เต็มๆในนะ้มีแต่รูปนนอหไะที่ได้ยอดดังนั้นถ้ามาถึงอย่างน้อยใช้ภาษาพิเศษเนี่ยนะก็ึ้นส่วนได้ครับพอใช้ภาษาไปอยู่ได้ ถ้าเมตสานจะได้แบบที่ได้ย่อผมไม่แน่ใจเลยครับข้าวเว่าเกิดพี่พระเป็นแบบกุเจ่ะครับตัวเตได้แล้วเกิดเป็นรูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วองคที่เหลือโอ้ไม่ได้ไม่้ลงเลิกไหมครับอืมถอที่เจียมคุณพ่อเกิดไปเดี เราไม่ช้าตอนน้นเลยรู้สึกว่ายังไม่สําเร็จนะเพราะว่าที่เหลือก็ต้องก็ต้องมีการสรุปก่อนถือว่าจึงถือว่าเปนสูตรเสร็จนะครับจะมีสุตตาโคอะไรน่ะนิสสกียาปยิตยาธรรมานี่นะมีบอกว่านิสสกีปยิตีสามสิบ่างหลายก็ได้ฟังมาแล้วนะไปสุตตาไปสุตตาโคสรุปนะสูดจนถึงสุดท้ายให้จบนี่ยังไม่ได้สรุปเรียนร้งช้าก่อนใช่ไหมครับ ต้องกดจุดให้ท่านนะจุดที่หมอเขาบอกมากอัานจุดลมปาครอสมมติว่าอันี้คอันนี้แลมชักี่้ง้เอคนี้เสร็จครับแล้วงีเหลือนี่ะเข้ามาตรวจต่อได้ถ้าจะทำาตัตน้นหรือว่าจะทอันนี้มไม่แน่จเหมือนกันนะ เขาจะว่าน่ต้องส่วนใหม่นะครับส่วนกใหม่เนตอนนี้ส่วนหน้าที่เหลือนะเขาต้องส่วนใหม่เลยพ่อยังไม่สําเร็จนะตอนนั้นนี่ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าถ้าไปลงพยาบาลก่อนเลยถ้ากดจุดหน้ากนจุดหน้าช่วยใครนะครับอ้าวหนุ่พีคขึ้นมาสรุปก่อนไม่ไหวแล้ จำได้ว่าอะไรคี่บที่ว่างมืออาจจะวางแบบมีการวางไปแล้วคือมีคนตรวจต่อไปเลยต้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่นี้แล้วก็ฟังเลยพิสดารยังไม่ถึงสองสามครั้งนะครับโอ้ก็ยังจําไม่ได้นะครับยังไม่ถึงสามครั้งเลยนี่นะหรือว่าแม้แต่ฟังเปสิบยี่สิบแต่ถ้าจําไม่ได้จริงก็ไม่เป็นไรนะอไม่ถือว่าอ่านใช่ไหมไม่ถือว่าเสียใจนะครับถ้าเขาพูดตามจริงเนี่ย ก็ผมจำไม่ได้ผมให้รู้นะครับว่างนี้เป็นอาบัติด้วยก็่ําไม่ได้ท้าวคนสมัยก่อน ส, สติสัมนาดีนะเพราะอะไรนะครับเหตุปัจจัยทำให้คนปัญญาเสื่อมน้อยถอลงพฟออะไรอีกแล้ ว, ว่าสุการณุณกิเลสหนาแน่ น, นขึ้นครับผพรามีส่วนนะแต่ยังไม่เคยได้ไปดูคมภี์นะครับ เคยเคยเคยอ่านที่ว่าเหตุปัจจัยทําให้คนมีอายุสั้นลงใช่ไหมเกี่ยาวูตุและก็อาหารนะครับชัดเจนเลยนะนะครับใครอ่านเจอนะทีนี้ทำให้มนุษย์มีอายุสั้นลงนะครับอาหารนี่ช้าเลยแล้วก็อุตุบรยรย า, า, ากาศต่างๆครับก็บป็นสามหน้าตาที่เขาเก่งเขาสูตรเก่งอะไระครับไม่ต้องการจะทําเป็นหลงเราจะมันลืมไม่ได้แอบจำไม่ได้จริงและพิสู่บ้านเป็นต้องก็แม่ต้ององ่าน ใครจําได้แต่ว่านี่นะที่บอกว่าในยุคที่คนมีอายุน้อยกว่าร้อยปีนะพะพุทธเจ้าจะไม่เสด็จอุบัติขึ้นใช่ไหมครับแทนผลว่าเพราะอะไรนะครับในยุคนั้นพระพุทธองค์จะไม่เสด็จอุบัติขึ้นในยุคของเราเนี่ยนี่พระเจ้ามาเสด็จอุบัติหรอใช่ไหมครับนี้สมัยนี้แต่พวกอุบัติตอนที่มีรุ่งอายุร้อย100ปีสมัยนะั้นใช่ไหมแต่เชื่อว่าถ้าสมัยนั้นนะ่ะไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติเลยนะไม่มีเลยนะครับ จะมันถึงมนุษย์อายุเหลือเจ็ดห้าปีโด ย, เ, ดยเฉลี่ยเนี้่นะและสมัยนี้นะครับจะ ม, มีการบอกว่าพระเจ้าครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในสมัยที่มนุษย์มีอายุร้อยกว่าปีเนี่ยมนุษย์จะมีกิเลสแก่กล้ามากครับมีกิเลสเยอะนะกิเลสหนาปัญญาน้อยอย่างเงี้ยนะกิเลสมากนะทํามนิษฐ์น้ยพระเจ้าทรงสแสดงแปลนะครับจะตั้งมีในสัตว์เหล่านั้นไม่นานนะครับมันหายไปไวมันสรซางซึ้งไม่นานนะ นะคือโดยมากนะมันซึ่งยื้ไม่นานนะครับอำนาจเขียนมัจะเยอะกว่านะไปอ่านนั่นเรื่องใช่ไหมเรื่องอะไรนธรรมะพุทธเจ้าเรื่องการขัดปราศรุ่นดองเรียนจบนะครับซึ่งเนี่ยตาเรียนนะครับแล้วก็ไม่นานนะเดี๋ยวหายหายถึงไปหลงมัวมเออะไรเหมือนเดิมนะเกิดราคะกังวลอะไรเหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะนะครับพเมธนาตั้งในใจไม่นานนะครับ แะจ้ามาเจ็ดล้านบาทนะครับต่อไปนะครับองคอา บ, บัตนะครับสิขาบทนี้มีองศี่เหล่านี้คือหนึ่งถูกสองลงโมหะนักกรรมอาจารย์โมหะกหรรเสกก็ได้นะสองต้องการจดแกล้งหลงนะครับจงใจสามที่ได้ฟังปฏิโมกมาแล้วนะครับสี่แกล้งหลงเมื่อครบองก็ต้องไปตีในสิขาบทนี้นะครับสมุทฐานเป็นต้นเหมือ น, านกาทุณาทานสิขาบท ไม่ต้องว่า้วนะตะส่สงศึกษาบท น, นี้มีเวลาาเป็นทุกแหล่เขาโทกสารเลยเนี่ยจบการคิบายโมหันตสิกษาบทโทรส า, า, า, สานะ ร, รสาไม่ได้โกนหมือนคงจะกลัวนะครับกลัวว่าคุณจะมาตําหนิตนใช่ไหมว่าทําไมเนี่ยหน้าด้านเปอนาจีรู้ทั้งรู้อย่างจมใจมั่งมั่งอีก น, นะครับกลัวเขาจะว่าก็เลยใกล้คำหลงไปนะไอ้โกนึงไปก็เป็นโทรสารใช่มโก้ก็เป็นโทรสานะรสา เขาเน้วทยาศาสตร์เป็นพวกอย่างเดียวเาครับเปเป็นภาษาไทยได้หไม่ได้นะไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รอภาษาบาลีไม่ได้ถ้านเลยถ้าจะแปลก็ต้องสทั้งบาลีแล้วก็มาแปลเอาทีหลังไม่ใช่ตอนนั้นครับสวดบาลีไปเลยแล้วมีว่าไหนเรือนแบสึกปฏิโมกครับสวดบาลีจบปุ๊บแล้วก็สวดไรอบนึง ไหวไหมคุณ <c> ต <oughs> สวจกะสนุกครับต้องฟังไม่เกิดอะไรไม่ใช่ต้องต้องฟักคึกันอะไรด้ยตารด้วก็ต ว, ต ว, ตวแปไปด้วยนะเกิข้อหนึ่งแปไปเลยไม่แน่แซวัน่ได้นี่ะนะ า, า, น, านนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะแยกกันแค่แีนะครับไม่ยอมไม่ได้